เตรียมย้ายกองท่านไว้พร้อมนี่บิจกาวานเองก็อร่อยที่คุณไม่ไปสัปันมาก่อนเฮ้ก hey, er, ูเหนืยฟูกเฟติวอลตอน New F.O. รวบรวมนากเสิรบเชฟมากมายหลายเจ้าที่จะจัดเต็มของเสิร์ฟให ม, มกับทุกท่าน Happy Set s h o ป p y Food มีเซอร์นัดลายแปลหลายสไตล์ไม่่าส่วนไหนกแต่เท่านี้หมดทุกอย่างล น, น, นะครับ 10-21 ธันวาคมนี้ยำวันที่สีคอนสแควร์สีน้ำเงิแทนนี้ ห้ามพลอดเด็ดขอดครับ